ท่านอาจารย์ที่คุณท ร, รมาโสพลท่านบอกพวกญาติญาติท่านมายเยี่ยมที่วัดสุทธาจินดามากันหลายคนเลยนะมีคนหนึ่งจะมาตรวจร่างกายผู้หญิงมาตรวจร่างกายท่านก็พาเที่ยวเดินในวัดนะออกไปเที่ยวรอบรอบวัดไปเที่ยวได้นะแข็งแรงไปตรวจร่างกายแล้วกลับมาก็ยังสดชื่นอยู่ บอกว่าพอหลายหลายวันแไปพอไปฟังฝนนะว่าเป็นมะเร็งนะหามปีกลับมาวัดเลยนะ <c oughs> แล้วกลับบ้านไปก็ตายเลยความจริงยังไม่ควรจะตายนะควรจะอยู่ได้อีกหลายหลายปีเลยตายไปเลยตกใจตายแล้วหลอกนี้ไม่ได้ฝึกจิตถ้าฝึกจิตในร่างกายบางทีร่างกายสุดโทรมนะจิตใจเข้มแข็งก็อยู่ของมันไปได้นะอยู่ไปได้บนะางคนอยู่ได้ตั้งหลายปี มีบางองค์นะครูบาอาจารย์บางองค์เป็นมาอยู่สีริราชเป็นมาเ็กหมอบอกว่าจะมรับภาพแนละ้วอยู่ได้ไม่กี่วันท่านบอกพากั บ, บวัดไปวัดท่านไปพาหนาของท่านนะท่านอยู่มาอีกตั้งหลายสิบปีเนะนะหมอหน้าแตกไม่รับเย็บเลยนะ <c oughs> อีกองค์หนึ่งไม่สบาย มาอยู่สีส่ลาดเหมือนกันครบาอาจารย์ต่กอชอบไปอยู่หมอบอกอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานท่านก็บกกลับวัดเหมือนกันสานชอบไปตายที่วัดนะไม่ชอบให้หมอมาตอพ่อเกกะมันกวนใจนะตายตามธรรมชาติมันไม่ไม่ทรมานมากนะเนี่ยเราต้องเรียกร้องสิทธิที่จะตายนะเพราะหมอละเมิดสิทธิที่จะตายของเราทีท่านกลับไปถึงวัดนะหามร่องแร่งร่องแร่งไป ลงจากรถได้นะลุกขึ้นเดินจงกรมได้แล้ว <S <S นะเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานะแล้วก็ทำทุลักขั้นสุดท้ายของท่านเสร็จนะแล้วก็มรณภาพนะนี่มีหลายแบบแต่รวมความแล้วก็คือถ้าใจเป็นนักสู้นะ้ำไม่เสียทีหรอกนะอย่างน้อยจิตใจ ร, รอดได้นะบางท่านร่างกายรอดได้ด้วยนะมีหลายแบบ อยู่ที่ใจสู้ถ้าใจท้อแท้แค่อย่างเดียวนะไปอย่างรวดเร็วเลยนะะไม่นนว่ว ว, ว, ว, ว า, ว า, า, า, าใช่ต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนั้น่ะถ้าใจถึงถึงอย่างนั้นนะที่อยู่ไปได้นาน <c oughs> ยิ่งกังวลนะร่างกายยิ่งมีสารพิษเยอะ <c oughs> ในจิตใจปลอดโลงไม่มีสารพิษไปช้าช้าหน่อย ไหนใครเคยมาแล้วส่งกันบ้านนี่เคยมาอย่างนี้นี่นี่แหละอ้าวส่งกันบ้านเป็นไงเห็นกิเลสไหมเห็นไหมหลวงพ่อไม่ทักทายนะอยู่ดีกินดีไหมสบายไหมหลวงพ่อจะถามมีอิเลสเยอะไหม รกว่ามันแน่นๆแล้วเราก็เพ like ื่ให้เข well. ียวเป่แล right mm. <then> ้วก็ตามตามดูว่ารู้ว่าปลพอสกัมันก็สงบลงไปได้แต่พอไปสักมันก็ติดล้วก็ไปไปที่คิดอีกไปไปที่ความคิดแล้วก็ นั่นแหละมันติจ้องไว้แต่ก็เลยเลยเลยว่าที่เราจะบอกตัวเองว่าเราอย่าหยาบไม่ได้นะก็คือพอมีเวลาเท่าไหร่ที่เรารู้สึกว่าตามตามดูเขาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะไปไปไปอยู่ตลอดบางทีวันไหนเรามีความรู้สึกว่าเราสงสัยเลือเกินสงสัยว่ามันนี่มันไปไหนอย่างนี้รู้สึกวันนั้นจะมีความรู้สึกมันเหนื่อยมันจหนื่อย ก็ดีแล้วดูไปนะดูถูกต้องแล้ว เรื่องอะไรนะฟังฟงังไม่ออกเหรอภาษาอะไรนะ อ, อ๋อ คือจิตของเราเนี่ยสมัคดาก็ไหลาตามอารมณ์อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะนี่ที่หลวงพ่อบอกให้ไปดูทีวีก่อนนะเพราะเราชอบดูไงถ้าหลวงพ่อบอกอย่าไปดูนะเดี๋ยวท้อแท้ในการปฏิบัติ ห, หัดดูต่อไปเห็นทุกข์นะขี้เกียจ ด, ดูรจะดูทําไมให้เกิดความทุกข์สังเกตไหมว่าอย่างที่แรกหลงไปก่อนไม่รู้นะหลงไปไม่รู้มารู้อาต่อที่หลงไปแล้วลื้อโกรดไปแล้วนะมารู้ขึ้นมาพอรู้ปุบ๊บก็ตื่นขึ้นมาแว บ, บหนึ่ง เพราะเนี่ยไม่ได้จงใจรู้มก็ตื่นขึ้นมาใจโล่งสบายแต่เดี๋ยวใจจะเริ่มหนีไปคิดความคิดนั่นแหละเป็นต้นทางให้กิเลสหยาบๆพวกนี้เกิดขึ้นใจที่หลงแปลหลงไปคิดนึกปรุงแต่งก็จะไปปรุงกุศลก็ได้นะปรุงอากรุศลก็ได้คิดบางเรื่องก็เกิดกุศลคิดบางเรื่องเกิดอากรุศลแต่กุศลที่ไปคิดเอานี้ยังเป็นแค่โลกิยากรุศลไม่พ้นทุกข์กรับเดี๋ยวเราไปคิดอยากทาบุญคิดถึงพระคิดถึงอะไรจิตเป็นกุศล ไมเป็นโลกียกักกุศลเราจะเห็นเลยพอเราหลกไปคิดนะกุศลนะกุศลก็เกิดขึ้นถ้ารู้ทันความคิดก็ดับปั๊บลงไปแต่ก็ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าจงใจจะไปทํานั้นก็ทุกขึ้นมาเลยเพราะว่าความอยากมันเกิดแนละ้วอยากปฏิบัติไม่มีข้อยกเว้นว่าอยากปฏิบัติเราไม่ทุกข์เนี่ยคอยเรียนรู้นะเราจะรู้กระบวนการทํางานของใจเราไปเรื่อยๆถ้ารู้กระบวนการทํางานของใจิตใจแจ่มแจ้งจะรู้ปฏิจจสมุปบาท ได้ยินไหมปฏิจจสมุปบาทคือเรียกยากพระเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือกระบวนการทํางานของใจเราเนี่เองมันจะปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาพระมาหรือเช้าเห็นไหมใจเราหนีไปดูเขารู้สึกไหม นิมนต์ครับนิมนต์นิมนต์ น, มนนะมาจากวัดไหนครับวัดหนองสูงอ๋ออ่ะโยบู้นี้มาจากไหนกัน ม, มาจากประจวบก็มาจากประจวบเชีเหรอทำไมมาไกลนักพ <c oughs> <c oughs> ี่หัวหินก็มีพระอยู่น ะ, นะก็มนดีเออดีแล้วน่าละอยู่ใกล้ๆะนะแต่ใสสาวจิตนะ แต่วที่ท่านับโยมถึงบ่ายสามโมงนเวลาอื่นก็อย่าไปกวนท่านแต่หลวงพ่อมันตรีท่านใจดีใครอยาไปนั่งแช่อยู่กับท่านทั้งวันแนละ้วท่านก็ปล่อยให้นั่งเป็นหลวงพ่อไล่เลยนะ <c oughs> เพราะเรานักปฏิบัติเนี่ยเวลาเนี่ยสําคัญที่สุดเลยมีค่าที่สุดเลยนะอย่าปล่อยทิ้งมานั่งแช่อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะพระพุทธเจ้าก็สอนนะท่านสอนพระนะสอนสอนพอรู้เรื่องแล้วท่านไล่เลย โน่นโคนไม้นั่นเบือนว่างนั่นปุกเขานั้นถ้ำอะไรางเงี้ยนั่นหลอมฟางไปหาที่ภาวนาะเรามาหาครูบาอาจารย์เพื่อรู้วิธีปฏิบัติพอเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติเอาเครื่องมือในการปฏิบัติเนี่ยมีอยู่สองสตัวตัวหนึ่งเรียกว่าสติสตินี้หมายถึงสัมมาสติไม่เหมือนสติธรรมดาสติที่คนในโลกรู้จักเนี่ยมันเป็นสติธรรมดาสัมมาสติ เครื่องรารู้กายแรารึกรู้ใจตัวเองนะอีกตัวหนึ่งก็คือสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตในการรู้กายรู้ใจตนเองอีกตัวหนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิหรือตัวปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจตนเองนั้นเป็นเรื่องของกายกับใจเราทั้งหมดเลยการปฏิบัติเนี่ยถ้าเมื่อไหร่หลุดออกจากเครื่องการรู้กายรู้ใจตนเองเรียกว่าคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติทั้งหมดละทำไมเราต้องคอยรู้กายรู้ใจตนเอง เ, s <S เราจะต้องคอยรู้ไปเรื่อยๆจนมันหนึ่งเห็นว่าตัวเราไม่มีนะแต่ตัวเราไม่มีใจไม่ไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นตัวเราเนี่ยมันจะไม่มีที่รองรับความทุกข์อีกล่ะมันที่มีที่รองรับความทุกข์ก็มีตัวเรามารองรับความทุกข์ไว้นี่เราคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจรู้บ่อยๆในที่สุดปัญญามันเกิดกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเบื้องต้นก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราแต่ก็ยังยึดอยู่พระโสดาบันรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา แต่ยังยึดอยู่ฝึกรู้กายรู้ใจต่อไปนานๆมันจะเห็นเลยถ้ามันไปอยากมันไปยึดไว้มันจะทุกข์ถ้ามันไม่อยากมันไม่ยึดมันจะไม่ทุกข์ใจจะค่อยๆปลายความยึดออกไปนะถึงจุดหนึ่งที่เขาวางความยึดถือจิตลงไปเนี่ยตรงนี้เหมือนวัฏจักรถล่มทลายลงตรงนี้เลยจับได้หรือเ่าบางครั้งตอนนี้ที่เร า, เราปวดหัวเรารู้ว่าเส้นเลือดเรากำลังหดตัวอยู่นะคะถ้าเรากำหนดว่าตอนนั้นมันมีการ มันกรร็รู้แค่รู้ว่ามันมีการหดตัวมีการตึงตัวให้นั้นถูกต้องไหมเจ้าคะอ้าก็ถูกในขั้นต้นน ะ, ะแต่ให้ดีกว่านั้นอีกสังเกตดูที่ใจเราแต่เรากังวลไหมนะให้รู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจทําไมต้องฝึกให้รู้ถึงจิตถึงใจเพราะว่ากิเลสเกิดที่จิตนะมรรคผลนิพพานก็เกิดที่จิตนะพยายามเรียนรู้ให้ถึงจิตถึงใจตนเองรู้แค่กายก็ดีเหมือนกันจิตใจไม่ฟุ้งซ่านลนะ ก็นะรู้ไปเลยเส้นเลือดมันหดตัวแล้นะมันจะแตกแล้วมันจะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วรู้ไปอย่างนั้นแล้วก็ไปสุขติได้เหมือนกันนะแต่ว่าเอาให้ลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจส่วนหนึง่งครูเจ้าสอนอย่างนี้นะบอกว่าเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันนะขอคุณก็คือเมื่อกายมันมีผลสัพพะมันกระทบทางกายในเส้นเลือดมันหดตัวนะความยินดียินร้ายเกิดที่จิตเนี่ยให้มีสติรู้ทัน เรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจแล้วเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตก็มีสติรู้ทันเมื่อใจไปรู้ธรร ม, มารมณ์เช่นเราไปคิดอะไรต่ออะไรขึ้นมานะใจมันไปคิดแล้วเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาเราก็รู้ทันเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนะจะได้ไปเร็วๆพัฒนาเร็วๆ เ, เรียนอยู่ที่รูปอันเดียวก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าไม่ได้เลยแต่ไม่พอเนะนี่ยหีไปคิดแล้วทราบไหม หนีไคิดแล้วรู้ไหมไม่ห้ามนะเรียนเพื่อให้รู้ไม่ใช่เรียนเพื่อจะห้ามนะศา ส, สนาพุทธนี่ไม่ใช่ศาสนาเก็บกฎงั้นไม่ใช่กิเลสเกิดขึ้นมาก็หาทางไปกดกดขม่มขมมันศานะ ส, สนาพุทธเป็นศาสนาที่เรียนให้เห็นความจริงเรารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของกายของใจนะอย่างรู้กายเราจะเห็นในกายนี่เป็นทุกข์นะ คนทั้งโลกนี่จะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าขันท่าเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้สอนว่าทุกข์บ้างสุขบ้างเรายังเห็นไม่ถูกต้องแต่ถ้าเรามีสติรู้กายบ่อยๆเราจะเห็นเลยมันทุกข์ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเนี่ยมันจะค่อยคลายความยึดถือกายได้ส่วนจิตใจนี่จะเห็นความไม่เที่ยง นะจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูเดี๋ยวหนีไปคิดเดี๋ยวก็ลงมือไปเพ่งๆอะไรไปอีกละจิตใจทํางานตลอดเวลาไม่เที่ยงดูไปเรื่อยเห็นของไม่เที่ยงหรอกของบังคับไม่ได้เดี๋ยวสั่งจิตให้มีสุขอย่างเดียวไม่ได้ห้ามไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้นะห้ามไม่ให้เผลอก็ไม่ได้นะห้ามความโลภโปรดลงไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เสั่งให้กุศลเกิดก็ไม่ได้มีแต่คําว่าไม่ได้นะ ก็คือคำว่านั้ตานั่นเองบังคับมันไม่ได้หลวพ่ยมตอเยี่ยถาม น, นะคะเมื่อกี้ถ้าหลวงพ่อพูดก็หมายถึงว่าช่วงที่เราเกิดความเจ็บปวดหรือเกิดทุกขเวทนาใดทั้งหลายก็ดูว่าทน่ขณะนั้นเรารู้สึกยังไงแค่นั้นเองไม่ใ็เรื่องของความว่าว่ า, าตอนนั้นเราควดหรือทุกข์อยู่ใช่ไหมไม่ใช่ให้รู้ทันลงมาให้ถึงใจนะเสร็จแล้วเราจะทํากรรมาฐานได้ตลอดปันเลยอย่างอยู่โรงพยาบาลสมมุติว่าวันนี้นะวันนี้คนไข้เยอะพอเข้าประตู โรงพยาบาลแต่อู้คนไข้เต็มเลยรู้สึกสดชื่นไหมก็ไม่ได้เสียใจก็ได้ทํางานก็รู้สึกดีเออดีเงดีนะส่วนใหญ่นะประเภทเข้าโรงพยาบาลเห็นคนไข้เยอะนะโอ้ต่อเลยนะบางคนเหนื่อยตอนเย็นไปคลินิกเปิดปตูโอ้สดชื่นเลยคนไข้เต็มเลยนะเนี่ยรู้ใจเราเนี่ยตามมองเห็นอใจมันเปลี่ยนนะโอ้ได้ยินเสียง คนไช่คนนี้มาถึงก็ว่าอ๊๋คุณหมอเป็นแม่พระนะพยาบาลคนนี้แม่พระจริงๆนะดีอย่างงู้นดี น, นใจจะพองแต่เราพองเรารู้ว่าใจพ่องไม่ใช่รู้ว่าเขาชมนะรู้ว่าใจเราพองนะอีกทีหนึ่งไอ้คนนี้โวยวายด่าด่าหมอด่าพยาบาลนะเห็นหน้ามาันหรือได้ยินเสียงมันก็เกลียดแล้วเกลียดรู้ว่าเกลียดแลี่ฝึกไปนะกรรมาฐานอยู่ในชีวิตจริงๆนะกรรมาฐานไม่ได้อยู่ตอนเข้าวัดเข้าคลอสนะ การเข้าวัดเข้าคอร์สมาฝึกเนี่ยเป็นการฝึกวิธีปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติเป็นแล้วต้องเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆให้ได้การปฏิบัติทำถ้าแยกออกจากการดํำรงชีวิตปกติแล้วก็ชาตินี้ไม่สําเร็จหรอกนะเพราะว่าอะไรปีหนึ่งเรเข้าคอร์สสักกี่ครั้งเวลาที่เหลือกิเลสเรเาไปกินหมดเลยเนี่ยลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมตั้งใจฟังหลวงพ่อลืมตัวเองแล้ว เริ่มบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมไปกดหน่วงหน่วงไว้ดูออกไหมให้รู้ทันไหนะรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจตนเองไปเรื่อยๆไม่ได้มีการอะไรที่ยากเย็นเลยคอยรู้อย่างที่เขาเป็นรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันไม่ใช่ตัวเราร อ, อย่างนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมฟังหลวงพ่อพูดมันก็แวบบเนี่ยให้รู้ตรงที่มันแว บ, บนี่แหละะ ใ, ในที่สุดจะเห็นว่าความไม่เที่ยงนะไหลายแวบบรู้สึกแวบบรู้สึก ฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวปัญญามันก็แจ้งเองอ่ะชิด น, น, นี้ไม่เที่ยงเกิดดับตลอดนะในการปฏิบัติต้องเห็นสภาวะนะเห็นสภาวะเห็นการทำงานจริงๆของเขาแค่คิดทีเ่เราหรือได้ยินแต่เชื่ อ, อใช้ไม่ไดนะ้ลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมดีนะไม่เฉียงบานคนเฉียงนะมดิฉันไม่เคยเผลอเลย <c oughs>